ราชกา ย, ยสูตรว่าด้วยบาปก ร, รมที่ราชกายเคยทำภิกษุทั้งหลายเรายังไม่รู้วิบา ก, กรรมจะไม่กล่าวถึงความสิ้นสุดแห่งกรรมที่สัตว์เจตนาทำขึ้นสั่งสมขึ้นก็วิบากนั่นเองที่สัตว์พึงเสวยในปัจจุบันก็มีในอัตภาพถัดไปก็มีหรือในอัตภาพต่อต่อไปก็มีเรายังไม่รู้วิบากรรมจะไม่กล่าวถึงการทาที่สุดแห่งทุก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 ด้วยเมตตาจิตอันไพ่โบ์เป็นมหาคตะไม่มีขอบเขตไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนอยู่อริยสาวกนั้นย่อมรู้ชัดอย่างนี้ว่าเมื่อก่อนจิตของเรานี้เป็นปริตตจิตยังไม่ได้อบรมแต่บัดนี้เป็นอัปมาณะจิตได้อบรมดีแล้วกลามาวาจรกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งนั้นย่อมไม่เหลืออยู่ไม่ตั้งอยู่ในจิตของเราภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายเข้าใจเรื่องนั้นอย่างไรคือหากเด็กนี้พึงเจริญเมตตาเจโตวิมุตต์ตั้งแต่เวลายังเป็นเด็กอยู่เขาจะพึงทำบาปกรรมได้หรือภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่าไม่ใช่อย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่ะทุกพึงถูกต้องบุคคลผู้มิทำบาปกรรมเลยหรือเป็นไปไม่ได้เลยที่ทุกจะถูกต้องบุคคลผู้มิทาบาปกรรมพระพุทธเจ้าค่ะภิกษุทั้งหลาย เมตตาเจโตวิมุตติน้สตรีหรือบุรุษควรเจริญแท้สตรีหรือบุรุษจะพาเอากายนี้ไปไม่ได้สัตว์ผู้จะต้องตายนี้เป็นผู้มีจิตเป็นเหตุสัตว์นั้นย่อมรู้ชัดอย่างนี้ว่าบาปกรรมอะไรๆของเรานี้ที่กรรชกายนี้เคยทำมาแล้วบาปกรรมนั้นทั้งหมดเราพึงเสวยในอัตภาพนี้จะไม่ติดตามไปภิกษุทั้งหลาย เมตตาเจโตวิมุตติภิกษุผู้มีปัญญาในธรรมวินัยนี้ยังไม่แทงตลอดวิมุตตอันยิ่งอบรมแล้วอย่างนี้ย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นอนาคามีอริยสาวกมีกรุณาจิตมุทิตาจิตอุเบกขาจิตแผ่ไปตลอดทิศที่หนึ่งทิศที่สองทิศที่สทิศที่4ทิศเบื้องบนทิศเบื้องล่างทิศเฉียงแผ่ไปตลอดโลกทั่วทุกมูล ในที่ทุกสถานด้วยอุเบกขาจิตอันไพ่บู์เป็นมหากตะไม่มีขอบเขตไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนอยู่อริยสาวกนั้นย่อมรู้ชัดอย่างนี้ว่าเมื่อก่อนจิตของเรานี้เป็นปริตฐจิตยังไม่ได้อบรมแต่บัดนี้จิตของเรานี้เป็นอัปปมานะจิตได้อบรมดีแล้วกรมวจรกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งนั้นย่อมไม่เหลืออยู่ไม่ตั้งอยู่ในจิตของเรา ภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายเข้าใจเรื่องนั้นอย่างไรคือหากเด็กนี้จะพึงเจริญอุเบกขาเจโตวิมุตตตั้งแต่เวลายังเป็นเด็กเขาพึงทาบาปกรรมได้หรือไม่ใช่อย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่าทุกพึงถูกต้องบุคคลผู้ไม่ทำบาปกรรมเลยหรือเป็นไปไม่ได้เลยที่ทุกจะถูกต้องบุคคลผู้ไม่ทาบาปกรรมพระพุทธเจ้าค่าภิกษุทั้งหลายอุเบกขาเจโตวิมุตตนี้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 อุเบกขาเจโตวิมุตติพิสุผู้มีปัญญาในธรรมวินัยนี้ยังไม่แทงตลอดวิมุตต์อันยิ่งอบรมแล้วอย่างนี้ย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นอนาคามีกราชกายสูที่9จบ 10. อธรรมจริยสูตรว่าด้วยความประพฤติอธรรมครั้งนั้นพราหมค์คนหนึ่งเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ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 เพราะความประพฤติธรรมและความประพฤติไม่สม่ำเสมอเป็นเหตุสัตว์บางพวกในโลกนี้หลังจากตายแล้วจึงไปเกิดในอบายทุกติวินิบาตนรกท่านพระโคโดมอะไรเล่าเป็นเหตุเป็นปัใจจัยให้สัตว์บางพวกในโลกนี้หลังจากตายแล้วไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์พรามเพราะความประพฤติธรรมและความประพฤติสม่ำเสมอเป็นเหตุ สัตว์บางพวกในโลกนี้หลังจากตายแล้วจึงไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ข้าพเจ้ายังไม่รู้ทั่วถึงเนื้อความแห่งพระดํารัสที่ท่านพระโคโดมตรัสไว้โดยย่อนี้โดยพิสดารขอพระทานวโรกาสขอท่านพระโคโดมโปรดแสดงธรรมแก่ข้าพเจ้าอย่างที่ข้าพเจ้าจะพึงรู้ทั่วถึงเนื้อความแห่งพระดํารัสที่ท่านพระโคโดมตรัสไว้โดยยอด่อนี้โดยพิสดารเถิดพราหมณ์ ถ้าเช่นนั้นท่านจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวพราหมณ์นั้นทูลรับสนองพระดํารัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าพราหมณ์ความประพฤติอธรรมและความประพฤติไม่สม่ําเสมอทางกายสมประการความประพฤติอธรรมและความประพฤติไม่สม่ําเสมอทางวาจาสี่ประการ ความประพฤติอธรรมและความประพฤติไม่สม่ำเสมอทางใจสประการความประพฤติอธรรมและความประพฤติไม่สม่ำเสมอทางกายสประการเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ฆ่าสัตว์ละถึงความประพฤติอธรรมและความประพฤติไม่สม่ำเสมอทางกายสประการเป็นอย่างนี้แล ความประพฤติอธรรมและความประพฤติไม่สม่ำเสมอทางวาจาสี่ประการเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้พูดเท็จละถึงความประพฤติอธรรมและความประพฤติไม่สม่ำเสมอทางวาจาสี่ประการเป็นอย่างนี้แหลความประพฤติอธรรมและความประพฤติไม่สม่ำเสมอทางใจสามประการเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้เพ่งเล e งอยากได้ของเขา ละถึงความประพฤติอาธรรมและความประพฤติไม่สม่ำเสมอทางใจสามประการเป็นอย่างนี้แลเพราะความประพฤติอาธรรมและความประพฤติไม่สม่ำเสมอเป็นเหตุอย่างนี้แลสัตว์บางพวกในโลกนี้หลังจากตายแล้วจึงไปเกิดในอบายทุกติวินิบาตนรกพรามเพราะความประพฤติธรรมและความประพฤติสม่ำเสมอทางกายสมประการ ความประพฤติธรรมและความประพฤติสม่ำเสมอทางวาจาสี่ประการความประพฤติธรรมและความประพฤติสม่ำเสมอทางใจสประการความประพฤติธรรมและความประพฤติสม่ำเสมอทางกายสประการเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ละเว้นข่าจากการฆ่าสัตว์ละถึงความประพฤติธรรมและความประพฤติสม่ำเสมอทางกายสประการเป็นอย่างนี้แล ความประพฤติธรรมและความประพฤติสม่ำเสมอทางวาจาสี Now, ่ประการเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ละเว้นขาจากการพูดเท็จและถึงความประพฤติธรรมและความประพฤติสม่ำเสมอทางวาจาสี่ประการเป็นอย่างนี้แลความประพฤติธรรมและความประพฤติสม่ำเสมอทางใจสประการเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ไม่เพ่งเลงอยากได้ของเขา ละถึงความประพฤติ ธ, ธรรมและความประพฤติสม่ำเสมอทางใจสามประการเป็นอย่างนี้แลพราหม์เพราะความประพฤติ ธ, ธรรมและความประพฤติสม่ำเสมอเป็นเหตุอย่างนี้แลสัตว์บางพวกในโลกนี้หลังจากตายแล้วจึงไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์พราหม์กราบทูลว่าข้าแต่ท่านพระโคโดมภาษิตของพระองค์ชัดเจนไพเราะยิ่งนักละถึง ขอท่านพระโคดมจงทรงจำค่าพระองค์ว่าเป็นอุบาสกพูดถึงสาระตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิตอาธรรมมัจริยาสูตรที่10บจบกราช ก, กายวักที่หนึ่งจบรวมพระสูตรที่มีในวักนี้คือหนึ่งปฐมมิริยสักขสูตร 2. ทุติยานิริยสักขสูตร 3. มาตุคามสูตร 4. อุปาสิกาสูตร 5. วิสาร ะ, ะสูตร 6. สังสัพปตปิปริยายสูตร 7. ปฐมสัญญาเจตนิกสูตร 8. ทุติยสัญญาเจตนิกสูตร 9. ก้ารชกายสูตร 10. อธรรมจริยาสูตร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 สเป็นผู้พูดเท็จ 5. เป็นผู้พูดส่อเสียด 6. เป็นผู้พูดคำหยาบ 7. เป็นผู้พูดเพ้อเจ้อแปดเป็นผู้เพ่งเลงอยากได้ของเขา 9. เป็นผู้มีจิตพยาบาท 10. เป็นมิจฉาทิฐิภิกษุทั้งหลายบุคคลประกอบด้วยธรรมสิประการนี้แหลย่อมดำรงอยู่ในนรกเหมือนถูกนำไปฝังไว้ ทำที่ให้สัตว์เกิดในสวรรค์1 0ประการภิกษุทั้งหลายบุคคลประกอบด้วยทำส10ประการย่อมดำรงอยู่ในสวรรค์เหมือนได้รับอัญเชิญไปประดิษฐานไว้ทำส10ประการอะไรบ้างคือ 1. เป็นผู้เว้นขาจากการฆ่าสัตว์ 2. เป็นผู้เว้นขาจากการลักทรัพย์ 3. เป็นผู้เว้นขาจากการประพฤติผิดในการม 4. เป็นผู้เว้นขาจากการพูดเท็จ ห้าเป็นผู้เว้นขาจากการพูดส่อเสียดหกเป็นผู้เว้นขาจากการพูดคำหยาบเจดเป็นผู้เว้นขาจากการพูดเพ้อเจ้อแปดเป็นผู้ไม่เพ่งเลงอยากได้ของเขาเก้าเป็นผู้มีจิตไม่พยาบาทสิบเป็นสัมมาทิฏฐิภิกษุทั้งหลายบุคคลประกอบด้วยธรรมสิบประการ น, นี้แหลย่อมดำรงอยู่ในสวรรค์ เหมือนได้รับอัญเชิญไปประดิษฐานไว้ทำที่ให้สัตว์เกิดในนรก20ประการภิกษุทั้งหลายบุคคลประกอบด้วยทำ20ประการย่อมดำรงอยู่ในนรกเหมือนถูกนำไปฝังไว้ทำ20ประการอะไรบ้างคือ 1. ตนเองเป็นผู้ฆ่าสัตว์ 2. ชักชวนผู้อื่นให้ฆ่าสัตว์ 3. ตนเองเป็นผู้ลักทรัพย์ 4. ชักชวนผู้อื่นให้ลักทรัพย์ 5. ตนเองเป็นผู้ประพฤติผิดในกราม 6. ชักชวนผู้อื่นให้ประพฤติผิดในกาม 7. ตนเองเป็นผู้พูดเท็จ 8. ชักชวนผู้อื่นให้พูดเท็จ 9. ตนเองเป็นผู้พูดส่อเสียด 10. ชักชวนผู้อื่นให้พูดส่อเสียด1 1ตนเองเป็นผู้พูดคำหยาบ 12. ชักชวนผู้อื่นให้พูดคำหยาบ 13. ตนเองเป็นผู้พูดเพ้อเจ้อสิ 14. ชักชวนผู้อ an> ื่นให้พูดเพ้อเจ้อสิตนเองเป็นผู้เพ่งเลงอยากได้ของเขา 16. ชักชวนผู้อื่นให้เพ่งเลงอยากได้ของเขา 17. ตนเองเป็นผู้มีจิตพยาบาท 18. ชักชวนผู้อื่นให้มีจิตพยาบาท 19ตนเองเป็นมิจฉาทิฏฐิยีสชักชวนผู้อื่นให้เป็นมิจฉาทิฏฐิภิกษุทั้งหลายบุคคลประกอบด้วยธรรมยี่สิบประการนี้แหลย่อมดำรงอยู่ในนรกเหมือนถูกนำไปฝังไว้ธรรมที่ให้สัตว์เกิดในสวรรค์ยี่สิบประการภิกษุทั้งหลายบุคคลประกอบด้วยธรรมยี่สิบประการย่อมดำรงอยู่ในสวรรค์ เหมือนได้รับอัญเชิญไปประดิษฐานไว้ทำยี่สประการอะไรบ้างคือหนึ่งตนเองเป็นผู้เว้นข่าจากการฆ่าสัตว์สองชักชวนผู้อื่นให้งดเว้นจากการฆ่าสัตว์สามตนเองเป็นผู้เว้นข่าจากการลักทรัพย์สี่ชักชวนผู้อื่นให้งดเว้นจากการลักทรัพย์ห้าตนเองเป็นผู้เว้นข่าจากการประพฤติผิดในกามห ชักชวนผู้อื่นให้งดเว้นจากการประพฤติผิดในกาม 7. ตนเองเป็นผู้เว้นข่าจากการพูดเท็จ 8. ชักชวนผู้อื่นให้งดเว้นจากการพูดเท็จ 9. ตนเองเป็นผู้เว้นข่าจากการพูดส่อเสียด 10. ชักชวนผู้อื่นให้งดเว้นจากการพูดส่อเสียด 11. ตนเองเป็นผู้เว้นข่าจากการพูดคำหยาบ 12. ชักชวนผู้อื่นให้งดเว้นจากการพูดคํหยาบ 13. ตนเองเป็นผู้เว้นขาจากการพูดเพ้อเจอ้อสิชักชวนผู้อื่นให้งดเว้นจากการพูดเพ้อเจอ้อสิตนเองเป็นผู้ไม่เพ่งเล็งอยากได้ของเขา 16. ชักชวนผู้อื่นให้ไม่เพ่งเล็งอยากได้ของเขา 17. ตนเองเป็นผู้มีจิตไม่พยาบาท 18. ชักชวนผู้อื่นให้มีจิตไม่พยาบาท 19. ตนเองเป็นสัมมาทิฐิ 20. ชักชวนผู้อื่นให้เป็นสัมมาทิฐิภิกษุทั้งหลายบุคคลประกอบด้วยธรรม20ประการนี้แลย่อมดำรงอยู่ในสวรรค์เหมือนได้รับอัญเชิญไปประดิษฐานไว้ธรรมที่ให้สัตว์เกิดในนรก30ประการภิกษุทั้งหลาย บุคคลประกอบด้วยทำสามสประการย่อมดำรงอยู่ในนรกเหมือนถูกนำไปฝังไว้ทำสามสประการอะไรบ้างคือ 1. ตนเองเป็นผู้ฆ่าสัตว์ 2. ชักชวนผู้อื่นให้ฆ่าสัตว์ 3. เป็นผู้พอใจการฆ่าสัตว์ 4. ตนเองเป็นผู้ลักทรัพย์ 5. ชักชวนผู้อื่นให้ลักทรัพย์ 6. เป็นผู้พอใจการลักทรัพย์ เจ็ดตนเองเป็นผู้ประพฤติผิดในกามแดชักชวนผู้อื่นให้ประพฤติผิดในกามเกเป็นผู้พอใจการประพฤติผิดในกาม10ตนเองเป็นผู้พูดเท็จสิบเอ็ดชักชวนผู้อื่นให้พูดเท็จสิบสองเป็นผู้พอใจการพูดเท็จสิบสามตนเองเป็นผู้พูดส่อเสียด 14. ชักชวนผู้อื่นให้พูดส่อเสียด 15. เป็นผู้พอใจการพูดส่อเสียด 16. ตนเองเป็นผู้พูดคำหยาบ 17. ชักชวนผู้อื่นให้พูดคำหยาบ 18. เป็นผู้พอใจการพูดคำหยาบ 19. ตนเองเป็นผู้พูดเพ้อเจ้อ 20. ชักชวนผู้อื่นให้พูดเพ้อเจ้อยี่ส เป็นผู้พอใจการพูดเพ้อเจ้อยี่สิบสองตนเองเป็นผู้เพ่งเลงอยากได้ของเขายี่สิบสามชักชวนผู้อื่นให้เพ่งเลงอยากได้ของเขายี่สิบสีเป็นผู้พอใจความเพ่งเลงอยากได้ของเขายี่สิบห้าตนเองเป็นผู้มีจิตพยาบาทยี่สิบหกชักชวนผู้อื่นให้มีจิตพยาบาทยี่สิบเจ็ด เป็นผู้พอใจความมีจิตยพยาบาท 28. ตนเองเป็นมิจฉาทิฐิ 29. ชักชวนผู้อื่นให้เป็นมิจฉาทิฐิ 30. เป็นผู้พอใจความเป็นมิจฉาทิฐิภิกษุทั้งหลายบุคคลประกอบด้วยธรรมาประการนี้แหลย่อมดำรงอยู่ในนรกเหมือนถูกนำไปฝังไว้ธรรมที่สัตว์เกิดในสวรรค์30ประการ ภิกษุทั้งหลายบุคคลประกอบด้วยธรรมาประการย่อมดำรงอยู่ในสวรรค์เหมือนได้รับอัญเชิญไปประดิษฐานไว้ธรรมาประการอะไรบ้างคือ 1. ตนเองเป็นผู้เว้นข่าจากการฆ่าสัตว์ 2. ชักชวนผู้อื่นให้งดเว้นจากการฆ่าสัตว์ 3. เป็นผู้พอใจการงดเว้นจากการฆ่าสัตว์ 4. ตนเองเป็นผู้เว้นข่าจากการลักทรัพย์ หชักชวนผู้อื่นให้งดเว้นจากการลักทรัพย์ 6. เป็นผู้พอใจการงดเว้นจากการลักทรัพย์ 7. ตนเองเป็นผู้เว้นข่าจากการประพฤติผิดในกาม 8. ชักชวนผู้อื่นให้งดเว้นจากการประพฤติผิดในกาม 9. เป็นผู้พอใ <Finn. S 2> จา ก, การงดเว้นจากการประพฤติผิดในกาม 10. ตนเองเป็นผู้เว้นข่าจากการพูดเท็จ11 ชักชวนผู้อื่นให้งดเว้นจากการพูดเท็จสิบสองเป็นผู้พอใจการงดเว้นจากการพูดเท็จสิบสามตนเองเป็นผู้เว้นขาจากการพูดส่อเสียดสิบสี่ชักชวนผู้อื่นให้งดเว้นจากการพูดส่อเสียดสิบห้าเป็นผู้พอใจการงดเว้นจากการพูดส่อเสียดสิบหตนเองเป็นผู้เว้นขาจากการพูดคำหยาบ 17. ชักชวนผู้อื่นให้งดเว้นจากการพูดคำหยาบ 18. เป็นผู้พอใจการงดเว้นจากการพูดคำหยาบ19ตนเองเป็นผู้เว้นข่าจากการพูดเพอเจ้อยี่สชักชวนผู้อื่นให้งดเว้นจากการพูดเพอเจ้อยี่สเป็นผู้พอใจการงดเว้นจากการพูดเพอเจ้อยี่สตนเองเป็นผู้ไม่เพ่งเล็งอยากได้ของเขา 23ชักชวนผู้อื่นให้ไม่เพ่งเล็งอยากได้ของเขา24เป็นผู้พอใจความไม่เพ่งเล็งอยากได้ของเขา25ตนเองเป็นผู้มีจิตไม่พยาบาท26ชักชวนผู้อื่นให้มีจิตไม่พยาบาท27เป็นผู้พอใจความมีจิตไม่พยาบาท28ตนเองเป็นสัมมาทิฏฐิ 29. ชักชวนผู้อื่นให้เป็นสัมมาทิฐิ 30. เป็นผู้พอใจความเป็นสัมมาทิฐิภิกษุทั้งหลายบุคคลประกอบด้วยธรรมาประการนี้แหลย่อมดำรงอยู่ในสวรรค์เหมือนได้รับอัญเชิญไปประดิษฐานไว้ธรรมที่ให้สัตว์เกิดในนรก40ประการภิกษุทั้งหลาย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 เจเป็นผู้พอใจการลักทรัพย์แปดสันเสริญการลักทรัพย์เ้ตนเองเป็นผู้ประพฤติผิดในกามสิบชักชวนผู้อื่นให้ประพฤติผิดในกลามสิบเอ็ดเป็นผู้พอใจการประพฤติผิดในกลามสิบสองสันเสริญการประพฤติผิดในกลามสิบสามตนเองเป็นผู้พูดเท็จส4ชักชวนผู้อื่นให้พูดเท็จ 15เป็นผู้พอใจการพูดเท็จสิบหสันเสริญการพูดเท็จสิบเจ็ดตนเองเป็นผู้พูดส่อเสียด 18. ชักชวนผู้อื่นให้พูดส่อเสียดสิบเก้าเป็นผู้พอใจการพูดส่อเสียด20่สับสันเสริญการพูดส่อเสียด21ตนเองเป็นผู้พูดคำหยาบ 22ชักชวนผู้อื่นให้พูดคำหยาบ23เป็นผู้พอใจการพูดคำหยาบ 24. สิบสันเสริญการพูดคำหยาบ25่้ตนเองเป็นผู้พูดเพ้อเจ้อยี่สชักชวนผู้อื่นให้พูดเพ้อเจ้อยี่สเจป็นผู้พอใจการพูดเพ้อเจ้อยี่สสันเสริญการพูดเพ้อเจ้อ 29. ตนเองเป็นผู้เพ่งเล็งอยากได้ของเขา 30. ชักชวนผู้อื่นให้เพ่งเล็งอยากได้ของเขา 31. เป็นผู้พอใจความเพ่งเล็งอยากได้ของเขา 32. สันเสริญความเพ่งเล็งอยากได้ของเขา 33. ตนเองเป็นผู้มีจิตพยาบาทสามชักชวนผู้อื่นให้มีจิตพยาบาท 35. เป็นผู้พอใจความมีจิตยพยาบาท 36. สันเสริมความมีจิตยพยาบาท 37. ตนเองเป็นมิจฉาทิฐิ 38. ชักชวนผู้อื่นให้เป็นมิจฉาทิฐิ39เป็นผู้พอใจความเป็นมิจฉาทิฐิ 40. สันเสริมความเป็นมิจฉาทิฐิภิกษุทั้งหลาย บุคคลประกอบด้วยธรรมสประการนี้แหละย่อมดำรงอยู่ในนรกเหมือนถูกนำไปฝังไว้ทำที่สัตว์เกิดในสวรรค์40ประการภิกษุทั้งหลายบุคคลประกอบด้วยธรรมสประการย่อมดำรงอยู่ในสวรรค์เหมือนได้รับอัญเชิญไปประดิษฐานไว้ธรรมสประการอะไรบ้างคือ 1. ตนเองเป็นผู้เว้นขาจา ก, การฆ่าสัตว์ สชักชวนผู้อื่นให้งดเว้นจากการฆ่าสัตว์ 3. เป็นผู้พอใจการงดเว้นจากการฆ่าสัตว์สีสันเสริญการงดเว้นจากการฆ่าสัตว์ 5. ตนเองเป็นผู้เว้นขาดจากการลักทรัพย์ 6. ชักชวนผู้อื่นให้งดเว้นจากการลักทรัพย์ 7. เป็นผู้พอใจการงดเว้นจากการลักทรัพย์ 8. ปดสันเสริญการงดเว้นจากการลักทรัพย์ 9. ตนเองเป็นผู้เว้นข่าจากการประพฤติผิดในกลาม 10. ชักชวนผู้อื่นให้งดเว้นจากการประพฤติผิดในกาม 11. เเป็นผู้พอใจการงดเว้นจากการประพฤติผิดในกางสิสสันเสริญการงดเว้นจากการประพฤติผิดในกางสิตนเองเป็นผู้เว้นข่าจากการพูดเท็จ1ิชักชวนผู้อื่นให้งดเว้นจากการพูดเท็จ 15เป็นผู้พอใจการงดเว้นจากการพูดเท็จส6บนกสัเสริญการงดเว้นจากการพูดเท็จสิบเจ็ดตนเองเป็นผู้เว้นข่าจากการพูดส่อเสียดสิบแปชักชวนผู้อื่นให้งดเว้นจากการพูดส่อเสียด19เป็นผู้พอใจในการงดเว้นจากการพูดส่อเสียดย0่สิบสันเสริญการงดเว้นจากการพูดส่อเสียด 21ตนเองเป็นผู้เว้นข่าจากการพูดคำหยาบ22ชักชวนผู้อื่นให้งดเว้นจากการพูดคำหยาบ23เป็นผู้พอใจการงดเว้นจากการพูดคำหยาบ24สิบสันเสริญการงดเว้นจากการพูดคำหยาบ25ตนเองเป็นผู้เว้นข่าจากการพูดเพอเจ้อ26 ชักชวนผู้อื่นให้งดเว้นจากการพูดเพ้อเจ้อยีเป็นผู้พอใจการงดเว้นจากการพูดเพ้อเจ้อยี่สบสันเสริญการงดเว้นจากการพูดเพ้อเจ้อยีตนเองเป็นผู้ไม่เพ่งเลงอยากได้ของเขา3าชักชวนผู้อื่นให้ไม่เพ่งเลงอยากได้ของเขา3าเอเป็นผู้พอใจความไม่เพ่งเลงอยากได้ของเขา 32. สรบเสริญความไม่เพ่งเล็งอยากได้ของเขา 33. ตนเองเป็นผู้มีจิตไม่พยาบาท 34. ชักชวนผู้อื่นให้มีจิตไม่พยาบาท35เป็นผู้พอใจความมีจิตไม่พยาบาท 36. สรบเสริญความมีจิตไม่พยาบาท 37. ตนเองเป็นสัมมาทิฏฐิ38 ชักชวนผู้อื่นให้เป็นสัมมาทิฏฐิ39เป็นผู้พอใจความเป็นสัมมาทิฏฐิ40สรรเสริญความเป็นสัมมาทิฏฐิภิกษุทั้งหลายบุคคลประกอบด้วยธรรมสีประการนี้แลย่อมดำรงอยู่ในสวรรค์เหมือนได้รับอัญเชิญไปประดิษฐานไว้ธรรมที่ให้ถูกกำจัดและที่ไม่ให้ถูกกำจัด บุคคลประกอบด้วยทำสิบประการย่อมบริหารตนให้ถูกกำจัดถูกทำลายทำสิบประการอะไรบ้างคือ 1. เป็นผู้ฆ่าสัตว์ละถึง10เป็นมิจฉาทิฏฐิภิกษุทั้งหลายบุคคลประกอบด้วยทำสิบประการนี้แลย่อมบริหารตนให้ถูกกำจัดถูกทำลายบุคคลประกอบด้วยทำสิบประการย่ยอมบริหารตนไม่ให้ถูกกำจัดไม่ให้ถูกทำลาย ทำสิบประการอะไรบ้างคือ 1. เป็นผู้เว้นข่าจากการฆ่าสัตว์และถึง 10. เป็นสัมมาทิฏฐิภิกษุทั้งหลายบุคคลประกอบด้วยทำสิบประการนี้แลย่อมบริหารตนไม่ให้ถูกกำจัดไม่ให้ถูกทำลายบุคคลประกอบด้วยทํยี่สประการย่อมบริหารตนให้ถูกกำจัดถูกทำลายทำยี่สิประการอะไรบ้างคือ 1. นตนเองเป็นผู้ฆ่าสัตว์ละถึง20ชักชวนผู้อื่นให้เป็นมิจฉาทิฐิภิกษุทั้งหลายบุคคลประกอบด้วยทำยี่ประการนี้แลย่อมบริหารตนให้ถูกกำจัดถูกทำลายบุคคลประกอบด้วยทำยี่สประการย่อมบริหารตนไม่ให้ถูกกำจัดไม่ให้ถูกทำลายทำยี่ประการอะไรบ้างคือหนึ่ง ตนเองเป็นผู้เว้นข่าจากการฆ่าสัตว์ละถึงยีสชักชวนผู้อื่นให้เป็นสัมมาทิฐิภิกษุทั้งหลายบุคคลประกอบด้วยทำยี่สิประการนี้แล่ย่อมบริหารตนไม่ให้ถูกกําจัดไม่ให้ถูกทําลายบุคคลประกอบด้วยธรรม30ประการย่อมบริหารตนให้ถูกกําจัดถูกทําลายทำสามสิประการอะไรบ้างคือ หนตนเองเป็นผู้ฆ่าสัตว์ละถึง30เป็นผู้พอใจความเป็นมิจฉาทิฐิภิกษุทั้งหลายบุคคลประกอบด้วยทำสามสิประการนี้แหละย่อมบริหารตนให้ถูกกําจัดถูกทําลายบุคคลประกอบด้วยทำสามสิประการย่อมบริหารตนไม่ถูกกําจัดไม่ให้ถูกทําลายทำสามสิประการอะไรบ้างคือหนึ่ง ตนเองเป็นผู้เว้นขาจากการฆ่าสัตว์และถึง30เป็นผู้พอใจความเป็นสัมมาทิฏฐิภิกษุทั้งหลายบุคคลประกอบด้วยทำสามสประการนี้แหละย่อมบริหารตนไม่ถูกกำจัดไม่ถูกทำลายบุคคลประกอบด้วยทำสี่ประการกย่อมบริหารตนให้ถูกกำจัดถูกทำลายทำสี่ประการอะไรบ้างคือ 1. ตนเองเป็นผู้ฆ่าสัตว์ ละถึง40่สิบสนเสริญความเป็นมิจฉาทิฐิภิกษุทั้งหลายบุคคลประกอบด้วยทำสี่สประการนี่และย่อมบริหารตนให้ถูกกาจัดถูกทําลายบุคคลประกอบด้วยทำสี่สประการย่อมบริหารตนไม่ให้ถูกกําจัดไม่ให้ถูกทําลายทำสี่สประการอะไรบ้างคือหนึ่งตนเองเป็นผู้เว้นขาจากการฆ่าสัตว์ละถึงสี่สิบ สันเสริญความเป็นสัมมาทิฐิภิกษุทั้งหลายบุคคลประกอบด้วยธรรมสีประการ น, นี้แลย่อมบริหารตนไม่ให้ถูกกำจัดไม่ให้ถูกทำลายธรรมที่เกิดในอบายและที่เกิดในสวรรค์ภิกษุทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้ประกอบด้วยธรรมสิประการหลังจากตายแล้วเขาจะไปเกิดในอบายทุกติวินิบาตนรก ทำสิบประการอะไรบ้างคือ 1. เป็นผู้ฆ่าสัตว์ละถึง 10. เป็นมิจฉาทิฐิภิกษุทั้งหลายบุคคลประกอบด้วยทำสิบประการนี้แลหลังจากตายแล้วเขาจะไปเกิดในอบายทุกติวินิบาตนรกบุคคลบางคนในโลกนี้ประกอบด้วยทำสิบประการหลังจากตายแล้วเขาจะไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ ทำสิบประการอะไรบ้างคือ 1. เป็นผู้เว้นขาจากการฆ่าสัตว์ละถึง10เป็นสัมมาทิฐิภิกษุทั้งหลายบุคคลประกอบด้วยทำสิบประการ น, นี้แหลหลังจากตายแล้วเขาจะไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์บุคคลบางคนในโลกนี้ประกอบด้วยทำยี่ประการหลังจากตายแล้วเขาจะไปเกิดในอบายทุกติวินิบาตนรก ธรรม20ประการอะไรบ้างคือ 1. ตนเองเป็นผู้ฆ่าสัตว์ละถึงย0ชักชวนผู้อื่นให้เป็นมิจฉาทิฐิภิกษุทั้งหลายบุคคลประกอบด้วยทำยี่ประการนี่แหลหลังจากตายแล้วเขาจะไปบังเกิดในอบายทุกติวินิบาตเนรกบุคคลบางคนในโลกนี้ประกอบด้วยทำยี่ิประการ หลังจากตายแล้วเขาจะไปบังเกิดในสุคติโลกสวรรค์ทำยี่ประการอะไรบ้างคือ 1. ตนเองเป็นผู้เว้นขาจากการฆ่าสัตว์ละถึงย0ชักชวนผู้อื่นให้เป็นสัมมาทิฐิภิกษุทั้งหลายบุคคลประกอบด้วยทำยี่ประการนี้แลหลังจากตายแล้วเขาจะไปบังเกิดในสุคติโลกสวรรค์ บุคคลบางคนในโลกนี้ประกอบด้วยทำสามสประการหลังจากตายแล้วเขาจะไปเกิดในอบายทุกติวินิบาตนรกทำสามสประการอะไรบ้างคือ 1. ตนเองเป็นผู้ฆ่าสัตว์ละถึง 30. เป็นผู้พอใจความเป็นมิจฉาทิฐิภิกษุทั้งหลายบุคคลประกอบด้วยทำสามสประกา ร, กรกนี้แล หลังจากตายแล้วเขาจะไปเกิดในอบายทุกติวินิบาตเนรกบุคคลบางคนในโลกนี้ประกอบด้วยทำสามสิประการหลังจากตายแล้วเขาจะไปเกิดในสุกติโลกสวรรค์ทำสามสิประการอะไรบ้างคือ 1. ตนเองเป็นผู้เว้นขาจากการฆ่าสัตว์ละถึง30เป็นผู้พอใจความเป็นสัมมาทิฐิภิกษุทั้งหลาย บุคคลประกอบด้วยธรรมสามสประการนี้แหลหลังจากตายแล้วเขาจะไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์บุคคลบางคนในโลกนี้ประกอบด้วยธรรมสีประการหลังจากตายแล้วเขาจะไปเกิดในอบายทุกติวินิบาตเนรกธรรมสีประการอะไรบ้างคือ 1. ตนเองเป็นผู้ฆ่าสัตว์และถึงส0่สิบสันเสริญความเป็นมิจฉาทิฐิ ภิกษุทั้งหลายบุคคลประกอบด้วยทำสี่สประการนี้แลหลังจากตายแล้วเขาจะไปเกิดในอบายทุกติวินิบาตนรกบุคคลบางคนในโลกนี้ประกอบด้วยทำสี่สประการหลังจากตายแล้วเขาจะไปเกิดในสุกติโลกสวรรค์ทำสี่สประการอะไรบ้างคือ 1. ตอนเองเป็นผู้เว้นข้าจากการฆ่าสัตว์ละถึงสี่ิบ สันเสริญความเป็นสัมมาทิฏฐิภิกษุทั้งหลายบุคคลประกอบด้วยธรรมส0สิประการนี่แลหลังจากตายแล้วเขาจะไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ธรรมที่ให้ทราบว่าเป็นพานและที่ให้ทราบว่าเป็นบัณฑิตบุคคลประกอบด้วยธรรมสิบประการพึงทราบว่าเป็นพานธรรมสิประการอะไรบ้างคือหนึ่งตนเองเป็นผู้ฆ่าสัตว์ละถึง สิเป็นมิจฉาทิฏฐิภิกษุทั้งหลายบุคคลประกอบด้วยธรรมสิประการ น, นี้แลพึงทราบว่าเป็นพานบุคคลประกอบด้วยธรรมสิบประการพึงทราบว่าเป็นบัณฑิตธรรมสิบประการอะไรบ้างคือ 1. ตนเองเป็นผู้เว้นข่าจากการฆ่าสัตว์และถึง10เป็นสัมมาทิฏฐิภิกษุทั้งหลาย บุคคลประกอบด้วยทำสิบประการนี้แลพึงทราบว่าเป็นบัณฑิตบุคคลประกอบด้วยทำยี่สประการพึงทราบว่าเป็นพานทำยี่สประการอะไรบ้างคือหนึ่งตนเองเป็นผู้ฆ่าสัตว์ละถึง20สชักชวนผู้อื่นให้เป็นมิจฉาทิฐิภิกษุทั้งหลายบุคคลประกอบด้วยทำยี่สิประการ น, นี้แลพึงทราบว่าเป็นพาน บุคคลประกอบด้วยทำยี่สประการพึงทราบว่าเป็นบัณฑิตทำยี่สิประการอะไรบ้างคือหนึ่งตนเองเป็นผู้เว้นขาจากการฆ่าสัตว์ละถึง20สชักชวนผู้อื่นให้เป็นสัมมาทิฏฐิภิกษุทั้งหลายบุคคลประกอบด้วยทำยี่สิประการนี้แลพึงทราบว่าเป็นบัณฑิตบุคคลประกอบด้วยทำสามสิประการพึงทราบว่าเป็นผาน ทำสามสิประการอะไรบ้างคือ1ตนเองเป็นผู้ฆ่าสัตว์ละถึง30เป็นผู้พอใจความเป็นมิจฉาทิฐิภิกษุทั้งหลายบุคคลประกอบด้วยทำยี่สประการนี้แลพึงทราบว่าเป็นพานบุคคลประกอบด้วยทำสามสิประการพึงทราบว่าเป็นบัณฑิตทำสามสิประการอะไรบ้างคือ 1. ตนเองเป็นผู้เว้นข่าจากการฆ่าสัตว์ ละถึง30เป็นผู้พอใจความเป็นสัมมาทิฐิภิกษุทั้งหลายบุคคลประกอบด้วยธรรมสามสประการนี้แลพึงทราบว่าเป็นบัณฑิตบุคคลประกอบด้วยธรรมสีประการพึงทราบว่าเป็นพาลธรรมสีประการอะไรบ้างคือหนึ่งตนเองเป็นผู้ฆ่าสัตว์ละถึง40สสิบสันเซิลความเป็นมิจฉาทิฐิ ภิกษุทั้งหลายบุคคลประกอบด้วยทำสี่สิประการนี้แลพึงทราบว่าเป็นพานบุคคลประกอบด้วยทำสี่สประการพึงทราบว่าเป็นบัณฑิตทำสี่สประการอะไรบ้างคือหนึ่งตนเองเป็นผู้เว้นข้าจากการฆ่าสัตว์ละถึง40สิบเสริญความเป็นสัมมาทิฏฐิภิกษุทั้งหลาย บุคคลประกอบด้วยธรรมสีประการนี้แหลพึงทราบว่าเป็นบัณฑิตสามัญวัคที่สองจบพึงทราบการนับสูตรในวัคที่สี่และที่ห้านี้ตามที่ละไว้